อย่าไปหมุนตามมันนะอย่าไปทายหัวตามานันหยุดหายใจเข้าลึกๆเอาความรู้สึกเราตามลมหายใจเข้าไปคือฝืนมันกดมันไว้ไม่งั้นจิตไม่ยอมหยุดนะเขาเอียงถึงพรุ่งนี้เช้าก็ได้นะจิตไม่มีวันเหนื่อยนะแต่ใจเรามันเหนื่อยนะรู้จักวิธีหยุดด้วยชีวิตเราบางทีต้องฝืนฝืนข้างนอกฝืนใจข้างในฝืนจิตนะเอาเราคือจิตนะ นนแหลจิตปัจจุบันกับจิตใต้สำนึกถ้าจิตใต้สำนึกมันไม่ยอมหยุดวเขารอมาตั้งนานแล้วเขาต้องการปลดปล่อยตัวเองนะแต่ทีนี้บางทีชีวิตเรามันอยู่ในกรอบที่มีวัฒนธรรมมีเงื่อนไขเวลาเนี่ยเราต้องรู้จักฝืนมันด้วยบําปชิตไม่เสพส่วนสุดโต่งสองส่วนนะระหว่างของคู่นะถ้าในแง่จิตวิ ญ, ญญาณระหว่างข้างนอกกับข้างใน ข้างนอกคือกายข้างในคือจิตนะพออยู่นอกกายเราติดอะไรเราเสพความคิดเราส่งออกตลอดนะจิตส่งออกคือสมูทยัยผลของการส่งออกคือทุกนะการส่งออกคือตันหาทั้งนั้นที่เราคิดส่งออกนะมือลอยออกไปนี่ถือว่าขาดสติเราคิดอย่างมีสตินั่นแหละคือขาดสตินะเราส่งออกข้างนอกตลอดเวลาพอเข้าไปในจิต บางทีไปเจอสภาวะที่มันสบายสบายติดสุขในฌานก็ได้ไปเจอความยิ่งใหญ่ของเราในอดีตนะมังเอิญจิตปัจจุบันยังมีกิเลสอยู่ก็ไปหลงติดข้างในอีกนะก็ไม่เสพส่วนสุดโตง่งสองส่วนระหว่างข้างนอกกับข้างในเนะี่ยที่เราฝึกเนี่ยเข้าก็ได้ออกก็ได้นะอยู่ข้างนอกความคิดจะคิดปุ๊บเนี่ยฉันไม่มีคิดตามเขาก็ไปข้างใน ข้างในมันจะเป็นหลงอารมณ์นั้นฉันก็ออกมาข้างนอกนะมันได้กลายเป็นกายจิตกายจิตกายจิตพลังงานหมุนเนี่ยเป็นพลังงานอย่างหนึ่งทีนี้อย่างสวรรคเนี่ยสรานไฟฟ้าเราเจาะกําแพงเนี่ยนะเราใช้พลังหมุนบางทีเจาะปุ๊บไปเจอหินเจอเหล็กมันติดได้นะเพราะพลังมันไม่พอเนี่ยพอเราเข้าไปในจิตปุ๊บเราก็ไปติดอารมณ์นั้นถ้ามันแรงกว่าเราทีนี้ ไอ้นานาจิตตังไอพ้พ şey ล hmm. hmm. ังส yes ั่นสะเทือนเนี่ยเราก็เอามาเสริมเรียกว่าเมืองสวานเนี่ยเขาเรียกว่าสวานโรตารีเคยได้ยินไหมเห็นไหมมีแรงกระแทกด้วยมันหมุนด้วยมันกระแทกด้วยเข้าปุ๊บออกเข้าปุ๊บออกเข้าปุ๊บออกมันจะมีพลังเราจะไม่ติดนะนาณาจิตตังคือฝึกให้เราเนี่ยเข้ามีพลังออกเข้ามีพลังออก นะเรก็ทะลุเข้าไปใหม่นะบางทีไปเจอโปรแกรมหนักๆ น, นะที่เราสร้างมาในอดีตเนี่ยมันกำลังมากกว่าจิตนะก็ยังเขาเจาะน้ำมันเนี่ยธรรมดาต้องเริ่มจากพลังกระแทกกระแทกถนนกระแทกหินนะแต่พลังกระแทกนี่มันลงไปลึกไม่ได้ลงไปลึกก็ต้องพลังหมุนนั่นแหละแต่พลังกระแทกนี่คือส่งแล้วก็ดึงออกมานะพลังหมุนนะ เราใช้พลังงานทุกอย่างที่อยู่ในร่างกายเราก็พลังจักรวาลทุกอย่างเอามาใช้หมดเพราะจิตมันหมุนนะบางทีเราเป็นโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยนะพะมันหมุนปุ๊บมันรู้ว่าจะต้องเอาพลังจักรวาลพลังแสงอาทิตย์หรือพลังอะไรเนี่ยมันจะดูดเข้าในร่างกายเราด้วยนะมันจะสามารถสื่อกับพลังทุกอย่างในจักรวาล น, นี้ได้นั่นะละเราต้องปลดปล่อยให้จิตเรามีพลังและเขารู้เองว่าควรจะทําอย่างไรนะ สมองเราไม่รู้ไงเราไม่รู้ว่าข้างในมันคืออะไรนะเออเราก็อาศัยประสบการณ์คาดคะเนเอาแต่ถ้าจิตนี่เรารู้เรารู้เพราะว่าเราฝึกเต้นอลาบิกฝึกลมปานฝึกโยคะนะอันนั้นคือต้องฝึกทีละท่าทีละท่าเออท่านี้ส่งผลอะไรท่านี้ส่งผลอะไรไม่มีศักยภาพเพราะมันจากัดนะทีนี้บังเอิญเราเดินลมปานโดยที่เราใช้สมองฝึกอะ มันอาจจะไปขัดแย้งลมปานข้างในก็ได้ลมปานมันเดินไปทางซ้ายแต่เราฝึกท่านั้นไปทางขวานะีบางทีที่บอกว่าทาาดไฟแตกอย่าไปกำหนดอย่าไปสั่งการแนวที่เราทำนี่อย่าห่วงนะอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าเนี่ยทุกดวงจิตทำได้หมดเพราะเราฝึกมาหลายชาติแล้วนะเมื่อเราปลดปล่อยอิสระแล้วที่จิตจิตเราเองรู้เองว่าเวลานี้ควรจะทาแบบไหน นะหลังจากชํานาญแล้วเนี่ยไม่มีเข้าไม่มีออกนะข้างในกับข้างนอกมีค่าเท่ากันนะแต่ตอนที่เราไม่ชนานาญเราต้องสร้างพลังมหาศาลทึง่จะเข้าไปได้เวลาจะออกก็สร้างพลังมหาศาลออกมาได้นะแต่ถ้าเราชํานาญแล้วเนี่ยเข้าๆออกกมีค่าเท่ากันนะอันนี้ทําไปเรื่อยๆแล้เราจะชํานาญนะแต่แรกๆนี่ยังไม่ชํานาญเนี่ยต้องฝืน ขานอกฝืนใจเราข้างในฝืนจิตไม่ใช่ตามใจมันทุกเรื่องคือปล่อยเขาดำเนินนะแต่อยู่ในกรอบที่คิดว่าจิตนั่นคือปัญญาคนจีนเขาเรียกเขาเรียกจิตเขาเรียกหลิงหลิงก็คือเรียกก็ปัญญาน่แหละตัวมันเองคือปัญญานะเขามีปัญญามหาศาลแต่บางคนปัญญาเยอะแต่สติอ่อนภาษาไทยเราบอกสติปัญญาเห็นไม ต้องไปคู่กันบางสายฝึก ส, ส, สติหรือเอาศีลมาเป็นที่ตั้งนะเอาศีลมาบาังคับมากาหนดมาป้องกันไม่ให้เราสร้างกรรมมันไม่ใช่เรื่องไม่ดีนะก็บางครั้งก็ต้องใช้แต่ว่านานๆก็ไปหลงติดศีล ต, ตรงนั้นนะ่ะนะบางทีหน้าดำคําเครียดเพราะเอาศีลไปกดมันไว้ไม่มีปัญญาบางสายเนี่ยเกิดปัญญาเร็วมากนะแต่สติไม่ทัน ต้องสมดุลนะนี่แหละสี่เซสชั่นที่เราทำเนี่ยเราจะบูรณาการเนี่ยนะสร้างกําลังทั้งสติทั้งปัญญาทั้งสมาธิทั้งอะไรขึ้นมาพร้อมๆกันนะ <lu ft. S 1> เมื่อเราเวียงหรือเราเราเวียงแรงๆเนี่ยเหมือนลูกข่างมันนิ่งมันหมุนแรงๆเนี่ยมันนิ่งเนี่ยเห็นไหมเวลามันนิ่งเนี่ยไม่ใช่มันไม่หมุนนะ <N> คือมันหมุนเต็มที่จนเรามองไม่เห็นแรงหมุนมันมั น, น, มนถึงนิ่ง เพราะว่าแรงเวียงนั้นน่ะมันชนะแรงดึงดูดของอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจโดยเฉพาะใจกับความคิดนะมันอิสระจากตรงนั้นนะนี่คือเอกะขะตาลมนะที่เขาฝึกฌาน น, นั่งฌานน่ะสมาธิสูงสุดคือฌานสี่นะเริ่มจากวิตกวิจารปิตินะสุขข้ามพ้นสุขไปสู่เอกะขะตาเนี่ยคือ มีอารมณ์เดียวคือสงบอุเบกขาถ้าไม่ถึงขั้นตรงนั้นแหละเราจเจริญวิปัสนาไม่ได้นะเข้าไปในจิตไม่ได้ทีนี้เราอาศัยสร้างแรงเบี่ยงแรงเบี่ยงปุ๊บมันถึงตรงนั้นปุ๊บมันดีดเข้าไปในจิตในจิตเลยพวกครูบอกขอครั้งเดียวพอเราเปิดประตูบ้านเข้าไปได้แล้วเนี่ยต่อไปเราเข้าออกเมื่อไหร่ก็ได้เข้าไปสะสางคดีความ คำถามว่าเข้าไปทําไมก็เข้าไปขัดเก่าจิตให้ผ่องใสไม่ใช่ไปนั่งดูจิตเฉยๆนะบ้านหลังนี้ชื่อว่าจิตแล้วก็นั่งดูมันมีผู้เพ่งกับสิ่งที่ถูกเห็นอันนี้ก็แค่เจริญสติเราก็เห็นอารมณ์หยาบๆเผนเงาของบ้านนะไปส่องหน้าต่างดูข้างในมันก็ยังเปื้อนเหมือนเก่าเห็นไหมเราไม่ได้ไปเข้าขัดขัดเก่าจิตให้ผ่องใสนะไม่ใช่ไปดูจิตแบบนั้นครูบาอาจารย์อย่างหลวงปู่ดุลท่านก็บอกว่าจิตเห็นจิตคือมรัก บางทีลูกศิษย์ลูกหาก็ไปเข้าใจคำว่าเห็นเนี่ยก็คือไปนั่งเพ่งดูไม่ใช่เห็นแบบนั้นนะต้องเข้าไปสัมผัสมันนะเข้าไปสัมผัสถึง ว, ว่าภาษาเนี่บางทีเป่งอกมาหมินเม๋มากกับการเข้าใจผิดนะต้องกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตต้องเข้าไปในจิตในจิต เข้าไปในจิตในจิตปุ๊บเราก็สามารถเสพทำในทรแล้วเปิดประตูบ้านเข้าไปแล้วพุอกก็กรู้ว่าอุ้ยมันร้อนนะมันเย็นนะมันเปื้อนนะนั่นแหละเราเข้าไปสัมผัสต ร, ตรงนั้นแล้วเราก็ไปขัดเกาจิตให้ผ่องใสไปขัดมันออกมานะเป็นเรียนรู้กับประสบการณ์เดิมของเรานะจิตปัจจุบันคือเด็กเกิดมาใหม่ๆเราเรียกว่าจิตเดิมนะเหมือนผ้าขาวผืนหนึ่งแต่ว่าไม่ใช่จิตเดิมแท้นะ มีจุดด่างจุดหนึง่งจุดด่างจุดนั้นคือโปรแกรมกรรมพอเริ่มโตขึ้นถูกตั้งชื่อเธอชื่อบัญชานะเออแถมศาสนามาด้วยนะแล้วก็ให้เราเรียนภาษาอันนี้ดีนะนี่ไม่ดีนะเออนี่รวยนะนี่จนนะนี่เก่งนะอะไรเราถูกใส่ไประบายสีไปหมดเลยอันนี้เรียกว่าจิตจิตปรุงแต่งนะตอนนี้จิตเราไม่ธรรมดาลนะมันเป็นจิตปรุงแต่งละมันถูกระบายสีหมดทีนี้ ถ้าเรามาฝึกนะมาขัดเก่าจิตให้ผ่องใสนะล้างมันออกล้างมันออกล้างมันออกนะนะล้างมันออกนะนะล้างมันออกไม่ใช่ล้างปัจจุบันออกทั้งหมดเลยนะก็ระลึกในอดีตเนี่ยไปล้างอดีตด้วยนะไปจ่ายหนี้กรรมทางจิตในอดีตนะถ้ามันถึงขั้นจิตหลุดพ้นดวงคาว่าจิตหลุดพ้นดวงตาเห็นธรรมนี่ต้องเข้าใจนะไม่ใช่บรรลุเป็นผ้าละหันแล้วเนี่ยแต่ ดวงตาเห็นธรรมคือเห็นจิตนะคือเห็นจิตจิตเห็นจิตคือมรรคก็บรรลุเบื้องต้นนั่นแหละขั้นต่ำสุดคือโสดาปฏิมรรคขึ้นไปนะอย่างน้อยๆชีวิตนี้เนี่ยต้องให้ได้วีซา่าตัวนี้อย่างต่าแต่บางคนเข้าไปทีทเดียวปึ่งเป็นพระอรหันต์เลยบางคนเป็นอนาคามีบางคนเป็นสิ่ค า, ามีมันอยู่ที่ของเก่าด้วยมันไม่ใช่สูตรสาเร็จนะแต่อย่างน้อยๆเนี่ย เราเห็นจิตแล้วเนี่ยนะจิตเห็นจิตคือมรรคเราเข้ากระแสมรรคแล้วเนี่ยจากนี้ไปเราก็ได้เจริญมรรคจิตแต่ถ้าเราไม่เข้าไปเราก็เจริญสติเจริญสมาธิตึ่งเนี่ยแค่แค่นั้นเองยังไม่ได้เข้ากระแสมรรคยังไม่ใช่ปฏิบัติธรรมนะเราไม่เห็นธรรมเราปฏิบัติธรรมได้อย่างไรธรรมคืออะไรในร่างกายเรานี่มีความจริงอย่างเดียวเท่านั้นคือจิตนอกนั้น ร่างกายเราก็สมมุติประกอบด้วยดินน้ำลมไฟเอาไปเผากลายเป็นอากาศธาตุที่เหลือก็เป็นธาตุดินแต่สิ่งที่เผาไม่ได้กี่พันองศาก็เผาไม่ได้คือจิตวิญญาณถ้าเผาได้คงดีเนอะรีบตายไปไวเผาปุ๊บก็จบนะหนีหนี่เนาะธรรมชาติบอกอย่าค้ากำไรเกินควรนะเยินสื่อหลิงผู้สื่อ นะคนจีนเขาบอกว่าคนนี่ต้องตายแต่จิตไม่มีวันตายถ้าเราเข้าถึงตรนนั้นแล้วเรากลัวตายไหมไม่ไอ้ร่างกายสปารังเคนี่มันถึงเวลาก็ตายสิเรื่องเราจะไปทุกข์กับมันความตายเป็นแค่ความเปลี่ยนแปลงไม่ใช่ความสูญเสียเห็นไหมเราไปงานศพกันร้องไห้คนที่อยู่ก็ร้องไห้บางทีคนที่จะตายกําลังจะตายตายไม่ลงยังห่วงนนห่วงนี่ตัวแข็งหมดแล้วก็เน่าเหม็น แต่ถ้าวินาทีนั้นเราตายเป็นเนี่ยนะทิ้งกี่ปีก็ไม่เน่าทิ้งกี่ปีก็ไม่เน่าถ้าตายเป็นเนี่ยมันมันจะได้อีกขั้นหนึ่งอาจารย์พุทธทานบอกตกบันไดพอยโจนในไหนร่างกายมันจะตายจากเราเนี่ยถ้าเราวางขันห้านี้ได้เนี่ยแสดงว่าเราบรรลุธรรมอีกขั้นหนึ่งนะถ้าบังเอิญเนี่ยเป็นอนาคามีว้ในขั้นนั้นปุ๊บก็เป็นอราหันต์เลยนะเผาออกมากระดูกก็กลายเป็นพระธาตุ ไม่ต้องถึงขั้นนั้นเอาแค่ว่าวินาทีนั้นระวางได้เนี่ยนะระวางได้ปุ๊บเนี่ยตายปุ๊บถ้าอย่าไปเผานะร่างกายนีย่ก็ไม่เน่าเห็นนะวินาทีที่เราตายไม่ลงเนี่ยมันจะหลังสารทุกอย่างเนี่ยถ้ามันตายเนี่ยมันจะรีไซเคิล น, นะในแง่ชีวิตนหัวใจไม่เต้นแล้วน่แหละคือมันไม่หายใจแล้วน่แหละนี่คือคนตาย แต่ถ้าเราทิ้งไม่ทำไมมันไม่น่ามันเหม็นเนี่ยเซลนั้นะมันยังไม่ตายมันมีกายวิญญาณแฝงอยู่นะเรื่องนี้นักวิทยาศาสตร์เขาพยายามเอาอัติธาตุอะไรไปวิจัยอยู่เขาก็งงวิจัยไม่ออกนะเราเปลี่ยนได้นะพลังจิตเท่านั้นเนี่ยนะเหมือนเหมือนเราตกใจเนี่ยเราเดินปา่าเขาบอก ผีผี ผ, ผบางทีเกิดมาไม่เคยเห็นผีแล้วบางทีวิ่งไม่ออกเลยใช่ไหมอะไรทําให้มันเป็นอย่างนั้นนะมันเป็นโรคอะไรเหรอเดินมาดีๆไ ม, ไม่ไม่มีแรงวิ่งล่ะนะเห็นไจิตมันกลัวปุ๊บเนี่ยมันจะหลั่งสารชนิดใดออกมาเนี่ยนะไม่มีผลกับกายภาพนะมีผลกับใจภาพจิตเราฝึกไปถึงจุดหนึ่งมันก็มีผลกับกายภาพมันสามารถเปลี่ยนกระดูกกายเป็นพระาธาตุได้ นะอันนี้ไม่ต้องสงสัยปฏิบัติไปเรื่อยๆเราจะสัมผัสสิ่งนี้นะคนนี่ต้องตายมันมีอายุขมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่จิตไม่มีวันตายนะพราะพุทธเจ้ายังอยู่พระเยซูก็ยังอยูนะ่อันนี้ชื่อท่านเฉยๆแต่จิตดวงนั้นยังอยู่นะแต่เขาหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดใน สามโลกธาตุนี้เท่านั้นเองไม่ใช่ตายแล้วก็ดับนะหลักปฏิสมุติบาทที่ท่านแสดงนั้นคือไม่มีเบื้องต้นไม่มีเบื้องปลายมีเหตุสาเหตุต้นเหตุไม่มีปฐมเหตุแต่ท่านี้วิทยาศาสตร์เราเนี่ยพยายามจะแสวงหาปฐมเหตุของมันเนี่ยนะหาไม่เจอมันไม่มีนะมันไม่มีปฐมเหตุมันมีเหตุสาเหตุต้นเหตุเหตุสาเหตุต้นเหตุไปเรื่อยเรื่อยเหมือนชีวิตเราเนี่ย พ่อครูเคยก็จิตมันมีนิมิตก็าวาดไอ้แผนผังเขาเรียกว่าแผนที่ชีวิตวันนั้นนะ่ทางกรุงเทพเขาส่งครูไปติวเด็กที่ศูนย์นะพ่อครูเขาก็นั่งกรรมาฐานพ่อครูก็เห็นเสื้อเขาเสื้อยือดเขียนว่า my map นะพ่อครูเอ๊ะมันหมายความว่ายังไง My Map คืนนั้นพระกูกลับไปที่พักเพราะว่ากูก็ไปนั่งเขียน Life Map Life m a ปคือแผนที่ชีวิตถ้าจิตมันก็เขียนองมานะทีนี้มนุษย์เรามาจากไหนที่มาของเรามาจากอะไรนะเรามาจากสอย่างนะวันนั้นมีเด็กคนหนึ่งมาจากกรุงเทพอายุ5ขวบ อยู่ๆก็มาถามพ่อครูว่าพ่อครูมนุษย์คนแรกนี่คือใครนะมันบอกมาจากไหนอีกด้วยพ่อครูก็บอกว่ามันเกิดมาจากการกายพันธุ์ลูกนะมาจากกายพันธุอย่างคุณพ่อคุณแม่เห็นไหมผสมพันธุ์กันก็กลายเป็นลูกเนี่ยเป็นกายพันธทีนี้คุณพ่อคุณแม่มาจากไหนก็มาจากนี่จากนี่พอเราสาไปปุ๊บเนี่ยก่อนจะเกิดเรามาจากอะไรจากหนึ่งกรรมสองจิต นะกรรมที่บันทึกอยู่ในจิตถ้าไม่มีจิตในความมีชีวิตเกิดขึ้นไม่ได้ในจิตนั้นก็มีวิญญาณนะสามอุตุก็คืออุณหภูมินะร้อนทำให้พองเย็นทำให้ยุบนะแล้วก็อาหารตอนที่อยู่ท้องแม่นั่นเราต้องอาศัยอาหารจากแม่นะอาหารจากแม่ ถ้าแม่นี่ไม่แข็งแรงอุณหภูมิในท้องไม่ไมสมดุลมันก็กระทบกับเด็กคนนี้นะแล้วก็พอคลอดออกมาปุ๊บเนี่ยเราอยู่ได้ด้วยปัจจัยสีนะมีอาหารเครื่องนึ่หผมที่อยู่อาศัยยารักษาโรคนะถ้าเรามีปัจจัยสีที่ที่สมบูรณ์แล้วชีวิตเราก็มั่นคงแล้วละ่ะ แต่ตอนนี้เราไม่ค่อยเอาปัจจัยสี่แล้วเอาปัจจัยที่ห้าที่หที่7็ดที่8ปดนะมันก็ปัญหาต่างๆก็ตามมานะบันเวียนวายตายเกิดไปอย่างนี้ตลอดทีนี้ก็กรรมเก่าทำให้เรามาเกิดบวกกับกรรมปัจจุบันสร้างไปอีกเห็นไหมคนอีสานเราเนี่ยเขาเคยพูดคำพังเพยว่าพังเพยคือมนุษย์เนี่ย เขาเขาบอกว่ามนุษย์คือคืออะไรเขาบอกว่ า, าสี่คนหามสี่คนหามใช่ไหมสามคนแห่สองคนนั่งแค่หนึ่งคนพาไปนะอันนี้เป็นคําคนโบราณเขาเขียนไว้เนี่ยนะทีนี้สี่คนหามคืออะไรสี่คนหามนี่คือธาตุสี่ เรื่องกายภาพเราประกอบด้วยดินน้ำลมไฟนะไอ้คำว่าตัวเราตัวเราเนี่ยไอก้กายภาพรูปธรรมกายภาพเนี่ยมันคืออะไรกันแน่มันคือดินน้ำลมไฟพอเอไปเผาปุ๊บมันก็กลายเป็นอากาศธาตุที่เหลือก็เป็นธาตุดินก็กลับไปสู่สภาวะเดิมของเขามันเป็นส่วนประกอบของสอย่างนี่รวมกันแล้วก็ถ้าไม่มีวิญญาณธาตุด้วยมันมีชีวิตไม่ได้สี่คนหางก็คือธาตุสี่ สามคนแห่คือว่าเราอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์เนี่ยกฎพระไตรลักษณ์คือลักษณะสามประการของธรรมชาติคืออันนี้จังทุกขังอนัตตานะเอาเกิดมาเป็นเบปีเป็นตัวเล็กๆนิดเดียวอ่าทำไมมันเปลี่ยนโตหนุ่มสาวนะเป่งปังเต็มที่เลยแล้วทำไมมันเหี่ยวลงไปอีก เซลเราเปลี่ยนทุกวันทุกวันทำไมไม่เปลี่ยนเซลเซลเราเนี่ยให้เราหนุ่มให้สาวหรือว่าเล็กลงทำไมเปลี่ยนให้เราแก่ขึ้นเนี่ยนะเพราะอุตุอุตุนะเนี่ยทำให้เรามันเป็นอนิจจังทำให้มันไม่เที่ยงนะถ้าเราฝึกจิตแล้วเราจะเห็นสิ่งนี้นะมันเวียนว่ายตายเกิดไอกรรมที่เราสร้างใหม่ก็ส่งไปอีก กรรมดีส่งไปทางที่ดีไอ้กรรมไม่ดีก็ส่งไปทางที่ไม่ดีกรรมเก่าบวกกรรมใหม่ก็คือผลส่งไปเรื่อยๆนะเนี่ยสี่คนหามสามคนแห่เนี่ยสคนนี่ทุกคนอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ของธรรมชาติคือกฎพระไตรลักษณะสามประการของธรรมชาติคืออนิจจังทุกขังอนัตตาสองคนนั่งแค่คืออะไรสองคนนั่งแค่ก็คือกรรม นะบุญกับบาปนั่นแหละนะเราก็อยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมก็คือบุญกับบาปนะหนึ่งคนพาไปคืออะไรก็คือจิตสุดท้ายจิตสุดท้ายเนี่ยเขาพาไปอยู่ในร่างที่ดีขึ้นเลวลงไปเกิดเป็นเทวดาหรือเปรตเอวสุลกายหรือสัตว์เดรัจฉานหรืเกิดมาเป็นมนุษย์อีกนั่นแนหะหนึ่งคนพาไปคือจิตสุดท้ายถ้าจิตสุดท้ายเราตายไม่เป็น สมวติาบังเอิญชาตินี้เนี่ยเราทำดี 90% เรซเราเผือไปทำชั่วสิซแต่วินาทีสุดท้ายน่ที่จิตมันจะละสังขารน่มันวางไม่ลงเนี่ยนะมันไปสู่ทุกขติมันต้องไปจ่ายหนี้กรรมส0นั้นก่อนบางคนบอกเอ้ยไม่เสมอไม่มันมันมันมันไม่มันไม่ดีมั่งเราทำมันไม่ใช่ทำดีทั้ง90้าบทำชั่วสิบนะเขาวัดกันที่วินาทีสุดท้ายนั่นน่ะ เราไปอยู่ตรงไหนนั่นแหละคำที่ถูกเตือนว่าอย่าประมาทก็อย่างนี้แหละตลอดชีวิตเราเนี่ยไม่ใช่เฉลี่ยร้อยปีในมนุูย์ตัวนี้เฉลี่ยแค่เจ็ดปปีเท่านั้นะถือว่ารอยปีเนี่ยเพื่อวินาทีสุดท้ายเท่านั้นเองชีวิตเราไม่ใช่เรื่องชาติเดียวนะชีวิตเราไม่รู้กี่ล้านชาติกี่แสนกับกี่อสงไขยเราอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์เหล่านี้แหละ มีไม่กี่ข้อนี่แหละธรรจิตอุตุอาหารที่นี่อยู่ที่ว่าเราจะแหกโผตรงนี้หลุดออกมาจากได้ยังไงนะพระครูก็ยืนยันว่าพระพุทธเจ้ายังอยู่นะแต่จิตดวงนั้นน่ะหลุดออกจากวงจรการเวียนว่ายตายเกิดในสามโลกธาตุนี้นะถ้าหายไปเลยเนี่ย ก็แสดงว่ามีเบื้องต้นมีเบื้องปลายเห็นไหมมีปฐมเหตุไม่มีนะไอสไตน์ก็ค้นพบทฤษฎีสัมพัทธภาพนะความเชื่อมโยงเกี่ยวเนื่องกันอยู่ๆร่างกายเราเกิดขึ้นมาเนี่ยลอยๆได้ไหมไม่ได้มันประกอบด้วยดินน้ํำลมไฟรวมกันกับบวกกับวิ ญ, ญญาณธาตุมันถึงเป็นร่างกายเราไม่ไม่มีแม้แต่สิ่งหนึ่งเนี่ยเกิดขึ้นมาลอยๆนะ มันมันเชื่อมโยงเกี่ยวเนื่องกันนะทีนี้สิ่งที่เราทําได้ตอนนี้บางทีอุณหภูมิเห็นไหมเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวเย็นเนี่ยอันนั้นเราแก้ไม่ได้ถ้าเรามีปัจจัยสี่แล้วมีบ้านเห็นไหมบ้านทุกวันนี้บางทีก็ต้องมีแอร์เห็นไหมเรามีเสื้อผ้าเนี่ยก็เพื่อป้องกันอุตุนะห น, หน้าหน้าหนาวเนี่ยต้องแต่งแบบไหนต้องใส่แบบไหนหน้าร้อนต้องใส่แบบไหนเพื่อให้เราไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยนะเราต้องมี ที่อยู่อาศัยเห็นไหมเพื่อลบแดดลบลมหลบฝนเหมงอนันเราก็ไม่สบายมีเสื้อผ้ามีอาหารที่เหมาะสมเห็นไหมเมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยก็ยารักษาโรคสมัยโบราณเนะ่เขาหมายถึงยาพื้นบ้านยาสมุนไพรซึ่งไม่มีผลข้างเคียงแต่ตอนนี้เป็นธุรกิจเป็นยาธุรกิจก็มันมันแฝงด้วยอามิตรนะ่ะบางทีเขาไม่มีสานึกว่าเขาจะ ผลิตออกมาให้เราแก้โลกนี้และผลข้างเคียงยังไงไม่ใช่เรื่องของชั้นเนี่ยอดีเราก็ต้องพึ่งตนเองนะต้องรู้จักเลือกใช้นะใช้ายาเท่าที่จำเป็นแต่ถ้าเราฝึกบ่อยๆเนี่ยนะเราจะพึ่งยาน้อยมากนอกจากโรคอุบัติเหตุนะอันนั้นอันนั้นเป็นเรื่องของกรรมเนี่ยใครก็ช่วยไม่ได้แต่โครคภัยไข้เจ็บเนี่ยถ้าสิ่งแวดล้อมสะอาดร่างกายสะอาดจิตใจสะอาดเนี่ยเราจะมีภูมิคุ้มกัน นะเวลากินอะไรผิดไปบ้างมันจะขับออกนะแต่โลกเวรโลกกรรมเนี่ยไม่มียาวิเศษไหนรักษาเนอะก็ต้องบริโภคพุทธโอสถธรรมโอสถนี่แหละนะธรรมโอสถธรรมโอสถมีอยู่แล้วคู่โลกคู่จักรวาลอยู่ที่ว่าศาสนาใดจะไปค้นพบพระพุทธเจ้าก็ไปค้นพบศาสนาอื่นก็ค้นพบ ก, ก็มีเทคนิคของเขาแต่ละอย่างไม่เหมือนกันนะอยู่ที่ว่า ถ้าเรามุ่งมั่นทำจริงๆแล้วเนี่ยเราถึงตรงนั้นได้นะโลกอย่างอื่นเนี่เป็นเรื่องเล็กโลกมะเร็งเนี่ยเอาเราไปเผาปุ๊บมันก็ตายตามเราไปก็จบแล้วล่ะแต่โลกเวรโลกกรรมโลกทุกเนี่ยข้ามภพข้ามชาติอันนี้น่ากลัวที่สุดอันนี้น่ากลัวที่สุดนะช่วงหลังหลายปีที่ผ่านมาแถวช่องเมฆก็มีบางวัด เขาบอกว่าอย่าปฏิบัติยุคนี้ปฏิบัติยากไม่ต้องกิเลสมันเยอะเขาบอกทำบุญเยอะทำบุญเยอะๆจะได้เกิดเป็นยุคพยุคภาษีอานน่ยนะผัดวันประกันพุ่งนะนะมีเพชรเม็ดงามไม่เอาเนี่ยไปเอานุ่นพวกกูบอกเกิดแน่ๆเลยเกิดแน่ๆยุคภาษีอานอาจจะเป็นไส้เดือนก็ได้หรือกิ่งกื่อเนาะทุกวันนี้เห็นจระเลยก็ไม่เอานะ ไหวพระเจ้าว่าอย่านไปรีบทาบอกว่าอย่าปฏิบัติเถอะมันยากนะทำบุญเยอะๆสะสมไม้หนุนไปเกิดยุคภาษีอาหารเนา ะ, ะก็กิเลสมันเข้าใจพูดน ะ, นะอย่าผัดวันประกันพุ่งมีโอกาสแล้วอย่าทิ้งโอกาสดีนะยุคเราเนี่ยยุคเรายิ่งใหญ่มากนะตอนนี้สามโลกกระทาได้เปิดทะลุกันหมดละ ข้างล่างก็มาโผล่ขึ้นมามาทวงนี้แหละข้างบนก็ลงมาแล้วมาต่อยอดนะตอนนี้เปตอรสุลกายก็อยู่ในล่างมนุษย์เทพเทวดาพรมอยู่ในล่างมนุษย์พระริยะอยู่ในล่างมนุษย์ไม่ต้องรอชาติหนะนะนะถ้าเราไปเห็นว่ามันแปลกมากไม่ใช่หลายปีมีครั้งนะโอกาสแบบนี้เนี่ยหลายชาติมีครั้ง เราจะเจอสิ่งที่หลายหลายชาติมีครั้งหนึ่งนะแรงมากอย่างพวกเราปฏิบัติวันนี้วันนี้เต็มเต็มวนนันหนึ่งเมื่อคื น, นชั่วโมงหนึ่งจิตที่เราดำเนินขนาดนี้คิดว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาหรอไม่ปพระครูบอกนะพรุ่งนี้ยิ่งจะเห็นชัดขึ้นนะไอ้ที่จะเข้าไปในจิตเนี่ยบางทีฝึกมาสามสี่สิบปีก็เข้าไปไม่ได้ ไอ้นี่ไม่กี่ชั่วโมงเต้นไปเต้นมาเต้นอะไรเนี่ยเหมือนอะไรหน่ยเดี๋ยวผมก็เข้าไปในจิตแล้วไม่ใช่เพราะครูทําให้มันเร็วนะเพราะครูไม่ได้เพิ่ม G 3 G 4 G ห้านะไม่รู้ใครทํานะนะทําไปเรื่อยเรื่อยเดี๋ยวเราจะรู้นะไอ้คาลิมิตรุ่นเก่าๆสิบ ก, กว่ายี่สิปีก่อนเนี่ยมาเห็นตอนนี้ว่าพราะครูอะไรมันเกิดขึ้นมันเร็วขนาดนั้นรุ่นผมแต่มันไม่เร็วขนาดเนี้นก็ นั่นแหละก็ดูเอาเองเพราะครูไม่ได้ทําให้มันเร็วนะเมื่อสิ่งที่เลวร้ายมันแรงกุศลฝ่ายกุศลมันก็แรงด้วยจิตมันจะรีบมาต่อยอดเพราะครูนั่งอยู่ตั้งนี้สิบปีเนี่ยนั่งคนเป็นหลายพันเป็นหมื่นเป็นแสนเข้าไปตรงนี้เพราะครูเห็นพัฒนาการมันเพราะครูไม่ได้ทําให้มันเร็วขึ้นนะอะไรทําให้มันเร็วขึ้นนะเอาเป็นว่า บอกข่าวดีสำหรับจิตซึ่งพร้อมนะข่าวร้ายไม่อยากพูดหรอกน่ากลัวมากมันเป็นมันเป็นช่วงที่มันมันถึงดิวที่จะทวงหนี้นะนะเคยเห็นไหมลูกข่าพ่อผัวข่าเมียนะไม่บ้าก็กินยาให้มันบ้าเคยเห็นมนุษย์เป็นแบบนี้ไหมนะยุคนี้มีหมดแล้วนะ เห็นไหมมันแรงจนมันมันคยคนคุยกันไม่รู้เรื่องเลยละนะเนี่ยฝ่ายลบมันแรงฝ่ายบวกก็แรงด้วยมันเป็นของคู่ไมืงอ้นเราฝึกมาหลายชาติเนี่ยฝึกมาทำไมไม่ใช่ทิ้งเฉยๆนะจิตเรากำลังจะเอามาใช้ต่อยอดนะจิตพระกูนิ่งๆมายีเจ็ปีพระกูเห็นพัฒนาการมันเป็นแบบนี้ ยิ่งมายิ่งแรงขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้นทุกวันนะนะสิบปีแรกที่มาจากอเมริกาเนะนื่องจากที่โน่นที่พ่อครูอยู่มันอยู่ในป่าไม่มีไฟฟ้าไม่มีหลอดเครื่องเสียงพวกนี้นะพะ่อครูใช้ตีะระฆังนะบางทีมีแค่ดวงจิตหนึ่งไม่ยอมหยุดนะพะ่อครูจับไม่ปล่อยตีถึงเที่ยงคืนตีหนึ่งก็ตีนะ กว่าจะได้ดวงจิตหนึ่งที่เข้าไปในเห็นจิตนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายๆตอนนี้พระ ก, กูยังไม่ได้ทำอะไรแค่เขาเปิดเสียงเพลงเฉยๆในพวกเราไปกันใหญ่เลยนะเราคิดว่าธรรมดาไม่ใช่ธรรมดานะนะมันไม่ใช่ธรรมดาบางท่านก็เคยฝึกจิตมาหลายแบบเหมือนกันนะแต่นั้นฝึกโดยเพราะว่ามีการสั่งการมันเบื้องวิชานะคุณไปเรียนวิชามันก็อยู่ตรงนั้นนะ่ อันนี้มันไม่ใช่วิชาอะไรเราทําเองทั้งหมดเลยมันก็เอาของเก่ามาต่อยอดไงช้าหรือเร็วเกี่ยวกับ ก, บกระแสะกรรมเนี่ยเพียงแต่ว่าตอนนี้เราไปฝึกวิชานี่มันเป็นกรรมปัจจุบันเห็นไหมเนื่องจากความอยากรู้อยากเห็นอยากได้อยากบรรลุธรรมก็แล้วแต่เนี่ยแล้วเราไปติดอยู่กับวิชานั้นมันก็ได้แค่ศักยภาพเออเราสงบเย็นขึ้นอะไรขึ้นนะเราไปฝึกให้มันสงบมันก็ได้สงบไล มันก็แค่สงบแต่มันมันปัญญามันไม่เกิดอันนี้เอาแค่ว่าเราเจอแรงสัจเทือนแลเหวี่ยงเนี่ยแค่ว่าปลดปล่อยให้จิตเราดูดต่อไปเขาจัดการเองเขารอเวลานี้มาตั้งนานแล้วนะไม่เคยเร็วแบบนี้หรอกมันเร็วขึ้นทุกวันไม่แบบแบบถ้าภาษาพูดบอกน่ากลัวมากมันผิดปกติ ของเคยที่ผ่านมาเห็นไหมมันกำลังล่อนนะมันกำลังล่อนอยู่ร่อนอยู่ใครใช่ก็ใช่ใครไม่ใช่ก็ตกกระบวนไปพรากูรับอารมณ์แบบนั้นก็เล่าให้พวกเราฟังนะก็ช่วงเวลาอีกไม่กี่วันนี้นะเป็นโอกาสดีนะให้มุ่งมัน่นไม่ต้องตั้งใจหรอกสนุกสนุกนะแต่ ให้มุ่งมั่นตั้งมั่นกับสิ่งที่เราทำนะเบิกบานนะวินาทีข้างหน้าเนี่ยหนึ่งนาทีข้างหน้าอะไรจะเกิดไม่มีใครรู้หรอกมันจะเกิดได้ทุกเวลานีบุญเก่าบวกบุญใหม่ที่เราบวกเข้าไปบางทีเก้าบเก้าเราบวกไปแค่หนึ่งเนี่ยมันไปเลยนะเห็นไหมนั่นแหละทุกวินาทีเกิดขึ้นได้หมดมันแรงขนาดนั้น นะไม่งั้นพ่อครกูก็ไม่ได้ออกมานะก็บอกข่าวดีพวกเราว่าไลหลายชาติมีครั้งหนึ่งไม่ใช่ได้หลายปีนะไม่งั้นคนอย่างเขาเรียกว่าตอนนี้สมมุติชื่อว่าเรียกพ่อครูปัญชาถ้าไม่เรียกพ่อครูปัญชาพ่อครกูก็พาครอบครัวจากเมืองนอกไปอยู่ในป่า แม่น้องคีเขาก็อยู่กับเราไม่นานเขาบุญเยอะมากนะเขาก็ยิ้มจากพ่อครูไปเลยนะพ่อครูเป็นทั้งพ่อทั้งแม่เป็นทั้งครูนะก็เลยทาหน้าที่หลายอย่าง ก, ก็ดูแลมาตลอดคือธรรมะจัดสรรเนะนะเหมือนไม่ใช่เขาเสียสละนะแม่แม่น้องคีอะไรมาจัางว่าเขาบุญเยอะเลยเหมือนเขาเปิดทางเขาก็ทําบุญเยอ ะ, องยอะไง เนะพรากรูพาทาอะไรทาหมดเลยเนี่ยเขาหมดหน้าที่แล้วเขาก็ไปไม่ใช่คนอายุสั้นไม่ดีนะไม่ใช่คนอายุยาวก็ดีนะนะอายุสั้นมันมีสองอย่าง <c oughs> คือหนึ่งหมดบุญสองหมดกรรมพระมารดาเจ้าชายยุทธา ก, ก็อายุสั้นใช่ไหมนะพระนางมาทำหน้าที่ <c oughs> ประสูติเจ้าชายยุทธะพระนางก็จากไปเพราะท่านหมดหน้าที่นะ บางคนอายุยาวก็มีสองดสองอย่างอายุยาวคือกรรมยังไม่ไมหมดเนาะต้องรับกรรมไปก่อ น, นอันนึงคือบุญยังไม่หมดนะมันไม่มีสูตรสาเร็จว่าต้องยาวดีหรือสั้นดีถ้ายาวแล้วไปสร้างกรรมใหม่กรรมใหม่เรื่อยๆเนี่ยพระครูแนะนำเนี่ยรีบไปเร็วๆดีกว่าเดี๋ยวมันจะขาดทุนไม่ใช่ไปกินยาบำรุงอายุยาวอายุยา ว, ยา ว, ยาวแล้วไปซิ่งไปทาอะไรที่มันไม่ดีเนี่ยอย่าทำ นะถ้ายาวแบบนั้นใหญ่ย า, ยาวมันจะขาดทุนชีวิตเราไม่ใช่เรื่องชาติเดียวนะมันจะส่งผลถูกสวนาคตชาติยาวเลยนะนะนไหนๆก็เกิดมาเป็นมนุษย์ผู้เริฐมาเจอคำสอนสี่มหัศจรรย์แบบนี้นี่อย่าพลาดโอกาสพราะคูถึงจะบอกว่าไม่ใช่เราเป็นคนฉวยโอกาสนะต้องรู้จักใช้โอกาสที่ยิ่งใหญ่นี้เนี่ย ไม่ใช่นานปีมีหนนะนานปีมีหนไม่ใช่หลายปีมีหนนะหลายๆชาติมีครั้งหนึ่งนะนแรงมากเราก็ต้องเกาะกระแสนะอย่าไปติดเรื่องความรู้มากมายนะยี่สเ็ดปีพ่อครูตรวจสอบจากผู้รู้เยอะมากเขากลัวพระครูสอนผิดนะแล้วก็แลกเปลี่ยนดีแล้วเขาเข้าไปในป่านั้นพรอครูก็มีโอกาสแลกเปลี่ยนนะบางคนก็อ้างอ้างอ้างพระเจ้าว่าอย่างกันอย่างนี้ถามว่าท่านทำหรือยัง สิ่งที่ท่านพูดม า, ามาจากไหนเนี่ยเขาว่าใช่ไหมอ่านหนังสือมาใช่ไหมนะพราครูถูกต่อว่านะที่พ่อคูสอนตรงเร้นี่เนี่ยพุทธการมีไหมพระไตรปิฎกมีไหมนะพ่อคูถามว่าท่านไปพุทธการมาหรื อ, อยังนะเขาก็เงียบไงเนะี่ยนี่ไปมาแล้วนะนะคุณถอยหลังไม่ได้คุณไม่เห็นหรอกเพียงแต่ว่าก็เลยถามว่าเอาล่ะ ท่านรู้จากพระอนนไหมเก็บอกรู้มีใครมีความรู้เท่ากับพระอนุนนะผู้เจ้าเนตตัดอะไรออกมานี่บันทึกไว้หมดไม่ใช่เห็นแต่ว่าพระ อ, องค์พูดยังไงนะเห็นวัดปฏิบัติพระ อ, องค์เลยเห็นทุกอย่างเลยทาไมเกือบไม่บรรลุธรรมนะเกือบไปไม่ทันนะพระโม่จะบันทึกเลยแล้วสุดท้ายพรุ่งนี้เช้านี่ต้องไปเป็นประธานอริยสงฆ์นะเพราะ เพราะท่านเป็นเลขาเป็นอูุ้โสเป็นประธานอเรียสองต้องเป็นอหรหันต์เท่านั้นถึงเขาประชุมได้บำเพ็ญเพียรถึงสว่างเลยก็ไม่บรรลุไงนะรู้มากไงรู้มากที่สุดเลยนะพอจะลงไปนอนพักผ่อนดีกว่าบรรลุกลางอากาศเนี่ยถามว่าสูตรไหนนะสูตรพระอ น, นุ์ใช่ไหมเราเรียนแบบได้ไม่ได้แต่มันจะได้หรือเปล่าไม่รู้ตอนนี้ที่เบตเขาทาอยู่นะเขาเดินไปวิ่ง เทลงไปเลยไหว้เทลงไปเลยมันอาจจะฟุกก็ได้เวลามันวางอะนะแต่นานๆอาจจะหนึ่งในล้านก็มีนะผ้าหนอนบรรลุธรรมไม่ใช่เป็นเพราะท่านรู้มากนะไอ้ที่ท่านรู้มากทําให้ท่านไม่บรรลุไงท่านบรรลุเพราะว่าตอนนั้นวิธีนั้นท่านวางนะใครอยากอวดความรู้เท่ากับผ้าหนอนไหม ตอนนี้เราติดความรู้แล้วก็ไปไปแปลถูกแปลผิดแล้วก็ทําถูกทําผิดอแล้วมันจะไปไหนล่ะอันนี้ก็เล่าให้ฟังนะบอกจะหลีกเลี่ยงพูดเรื่องศาสนายังแว บ, บเข้ามาอีกเนาะมันเป็นเรื่องของจิตวิญญาณเนาะอันนี้ก็เล่าให้กันฟังบ้างแต่เป็นว่าเจตนาเรามาที่นี่เราพยายามมาฝึกพัฒนาให้จิตเราเนี่ยมีร่างกายจิตใจแข็งแรงอารมณ์ดี นะอารมณ์ดีที่สุดคืออารมณ์อะไรคือนั่นแะหละที่บอกว่านิพานเป็นสุขอย่างยิ่งนั่นแหละนนั่น ะ, ะเป็นนิดเน้นฟิตเนนะเป็นฟิตเ น, นะเ น, ตเนอย่างยิ่งฟิตเนแปลว่าเหมาะสมสมบูรณ์พอดีนั่นแะหละคือฟิตเนมันพอดีมันฟิตเนนะเนะี่ยทำให้ทุกทให้ร่างกายเราฟิตเนสตทำให้จิตใจเราฟิตเนสตทให้อารมณ์เราฟิตเนเป็นหน้าที่ของทุกคน เคนะไปพักผ่อนได้เนาะมีอะไรไหมไม่มีเนาะไปไปพักผ่อนพรุ่งนี้เช้าตื่นกี่โมงก็ได้นะมาพบกันหกโมงเช้า